สิกขาบทที่9กพิกษุณีผู้ให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่พิกษุณีจำนวนมากที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้แลกเปลี่ยนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ให้แลกเปลี่ยนแล้วต้องนิสัเคียปาจิตตี